ตอนบรรยายธรรมในวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคม2557 ก, กาบในบรรษรพระคุณเจ้าสา ม, มเณนคุณแม่ชีการยมิตรทุกท่านนะก็เป็นวันพ่อนะวันพ่อวันแม่เป็นอุบายวิธีนะเพื่อเป็นการเตือนสติให้รู้จักกตัญญูกะตะเวทิตา นะนี่คือความเป็นพุทธความเป็นคนไทยเราถ้าคนเราไม่มีพื้นฐานความกตัญญูรู้คุณคนแล้วเนี่ยมันไม่เจริญทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมนะอันนี้เป็นการเตือนสติเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งเพื่อเตือนสติอย่างอิสลามเขาเนี่ยเขาเตือนสติเราวันหนึ่งเนี่ยห้าเวลานะเพราะว่าเราอยู่กับอารมณ์นั้นนานเราจะถูกมันดูดไปตอนนี้เราอยู่กับอารมณ์ของวัตถุนิยม เราไม่ระวังตัวเราจะถูกวัตถุนิยมดูดไปแล้วเราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวคนไม่มีกระตันอยู่รู้ขุนคนเขาเคยช่วยเราเก้าครั้งพอครั้งที่สิบเขาช่วยไม่ได้เราก็ลืมทั้งหมดเลยนะซึ่งไม่ใช่วิสัยของคนพุทธเราหรือคนไทยเรานะเรากินข้าวเขาไม่กระทั่งมือ้อนึงเนี่ยนะเราก็ต้องไม่ลืมนคนอื่นไม่รู้แต่จิตเรารู้นะเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้ ไอ้ น, นี้ต้องฝึกให้เป็นจริยวัดจริยวัดไม่ใช่วิชาสอนจริยธรรมไม่ใช่วิชาสอนเป็นจริยวัรที่ต้องปฏิบัติเป็นปกติเป็นวิถีเหมือนศูนย์เราเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นมันเป็นวิถีการปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคผลนิพพานไม่ใช่ไปฝึกสติฝึกสมาธินั้นเป็นวิชาวิชาหนึ่ง เป็นเทคนิคหนึ่งทำให้มันเกิดสมาธิสติมันไม่ใช่มักแต่ชีวิตเราต้องเป็นวิถีมักผลนิพพานเราทำเป็นปกตินะก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันพ่อแล้วก็เป็นวันพ่อสำหรับพวกครูส่วนตัวนะยี่สิบห้าปีมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ย่างปีที่ยี่กนะก็เป็นวันพ่อครั้งแรกที่สังขาร พ่อครูมันไม่ปกตินะมันแสดงให้เห็นนะก็ส่วนวันพ่อแห่งชาติเช้านี้พ่อครูก็เห็นถแถลงการของสำนักพระราชวังปกติห้าธันวาทุกปีพ่อครูต้องนั่งฟังดูพระราชดำรัสว่าพระองค์ดำรัสอะไรมันเกี่ยวเนื่องกับประเทศชาติโดยองค์รวมแต่ปีนี้ทางคณะแพทย ก็ขอให้พระองค์หยุดทำพระราชกิจนะก็คืนนี้ไม่มีการาาแสดงให้โอวาทอะไรก็สะท้อนให้เห็นว่าความแก่ชราเนี่ยทุกคนหนี่ไม่พน้นเมื่อเช้านี้ก็เห็นหมอป้าหมอนะเดินกระโกกเพกพวกคูก็เหมือนป้าหมอแล้วบอกเนี่ยไม่จาแก่แล้วก็ไม่จาแก่แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละต่อไปห้ามแก่อีกนะ เราแก้งลืมนะเราแก่มาหลายชาติแล้วเกิดมาก็แหกปากร้องอีกแล้วแก่มาก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยนะแล้วก็เจ็บบังเอิญยี่สิบกว่าปีแก้วก็บนอยู่ว่าเอ๊ะปีนี้ทำไมพ่อคูเป็นน้นเป็นนี่พ่อครูไม่ได้เป็นนะนะพ่อคูไม่ได้เป็นนะแต่อาการของขันเนี่ยมันก็เป็นตามธรรมชาติของมันมันทําให้พ่อครูทุกข์ไม่ได้ปีนี้มีครั้งหนึ่ง นว่าก็พาไปโรงพยาบาลไปให้น้ําเกลือเพราะอะไรไปทานอาหารซึ่งเป็นพิษก็ทายถ่ายถ่ายก็ยยไม่มีอะไรมันก็ร่างกายมันก็เพียเข้าไปให้น้ําเกลือมันได้เป็นเพราะว่าสังขารพ่อครูเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันกินอาหารผิดแต่เชื้อโรคเข้าทางปากมันก็ออกทางปากนะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวพูดร้ายก็เป็นวจีกรรมมันก็ออกทางปากแล้วก็ ครั้งนี้กรรมดีก็ต้องรับเพราะกูรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะตอนเช้าวันนั้นน่ะเรามาเดินย่ำทรายกันเพราะกูนานๆครั้งจะปล่อยให้จิตทำหน้าที่ทีหนึ่งจิตเขาพาพรูเดินไม่หยุดเลยเดินแบบคนวิ่งเดินเร็วมากเดินเร็วมากเดินเร็วมากเวลานั้นจิตไม่มีคําว่าเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่ที่ใจถ้าเราใช้ใจทำเราจะเหนื่อยแต่ถ้าจิตมันไม่เหนื่อยแต่มันก็มีอันตราย เพราะว่าร่างกายขันห้ามันก็คือขันเราใช้มันเกินความเป็นจริงก็กลายเป็นกรรมกรรมดีก็ต้องรับนะก็มันรู้สึกตึงๆปุ๊กก็หวังดีว่าพวกครูให้คุณนีกับคุณยูนนวดไหมบอกเออก็ดีเหมือนกันก็ไปนวดคุณยูนนวดครึ่งล่างคุณนีนวดครึ่งบนทุกครั้งก็ดีผ่อนคลายนะ ทั้งนี้ก็ดีเหมือนกันเนะแกก็ทําท่าเก่าเนั่นแหละหักเข่าพกคูมันดังแป๊กแป๊กเลยพกคูคิดว่าเอ๊ะสบ้าหักแล้วแตกแล้วเนาะเนื่องจากเอ็นมันตึงมากเพราะเราใช้มันเกินความเป็นจริงมันปวดมันแรงมากนะมันก็พลิกจริงๆแล้วก็ปวดปล่อยมันดีแล้วแต่ที่นี้เนื่องจากมันพลิกแรงมากมันเกิดอักเสบนะพรกครูก็พักผ่อนที่บ้านสองสามวันวันวันแรกคืนแรกเนี่ย คือถ้าพ่อครูขยับปุ๊บเนี่ยอาการเจ็บมันจะเกิดขึ้นมันเจ็บปุ๊บมันก็จบนะจิตพ่อครูไม่ไปรับมันถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคงคงระบมทั้งคืนทั้งอะไรเนี่ยไม่เราเจ็บเฉพาะเวลาที่เราไปกระทบมันนะแล้วก็รู้เราก็ไม่พยายามกระทบมันก็พักผ่อนนะมันก็ค่อยฟืน้นฟื้นฟื น, ฟนจนวันนี้ก็ เ, เดินแต่ว่าเนี่ยพ่อครูตอนที่ใช้จิตนั่งนะไม่ให้มันเจ็บ ชั่วข่าวเดี๋ยวพอเสร็จแล้วลุกขึ้นไปเดี๋ยวมันก็เจ็บมันจะแสดงอาการเจ็บเพราะเราเปลี่ยนโพซิชันมันเนี่ยแต่ว่ามันเจ็บปุ๊บเพราะคูก็วางมันเพราะคูไม่ไปทุกกับเจ็บแต่สังขารก็คือสังขารตอนนี้มันทะเลาะ ก, กันระหว่างกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกับกระดูกมันไม่ไปด้วยกันมันไม่ยึดตักทางสายกลางไอเอ็นมันสุดตรงเลยมันบอกเธอใช้ท่านอย่างไม่บรญญะบัญญัติน่ะก็เป็นกรรมเนาะ กระดูกมันจะเก้าแต่เอ็นไม่ยอมเก้าด้วยอ่ะเห็นไหมเราก็รู้มันเราอย่าไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองนะมันก็ไม่เจ็บแต่ว่าเราจะเดินเร็วกว่าเก่าก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปตามที่มันเป็นนะอันนี้ถ้าเราฝึกจิตแล้วเนี่ยแม้กระทั่งเวทนาเนี่ยเราจะเหนือมันไม่ใช่เวทนามันไม่เกิดตีปุ๊บความเจ็บก็เกิดขึ้นแต่มันก็ดับมันจะพัฒนาให้เราทุกข์ไม่ได้ เราจะไม่มีวันทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะแก่เพราะตายอีกแล้วที่ครูครูบอกผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนมากราบเมื่อกี้เนี่ยเออคุณยายบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยบอกเหนื่อยเวียงทิ้งอย่าไปนเหนื่อยกับมันเหนื่อยก็คือเวทนามันเป็นเรื่องอาการปกติตาดไว้ที่เรายังไม่ละขันเนี่ยไอขันห้ามันก็เป็นแบบนี้ล่ะมันก็เป็นแบบนี้แต่ให้เรารู้เท่าทันว่ามันเป็นแบบนี้รู้ปุ๊บจบ ถ้าคิดเพิ่มเติมปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มอาการเวทนานั้นขึ้นมาทันทีนะก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจิตก็ต้องเรียนรู้กับมันพ่อครูรู้ว่าตัวเองทําอะไรหลายปียี่หปีพ่อคกูไม่เคยไปซิ่งไม่เคยไปทําอะไรอะไรนะแต่บางครั้งนี่เราใช้ร่างกายเราเกินความเป็นจริงแต่ไม่ได้เนื่องด้วยเจตนาไายหรือโลภโกรธหลงแต่มันก็เป็นกรรมดีอย่างหนึ่งที่เราไปใช้มันเกินความเป็นจริงนะกรรมดีก็ต้องรับ นะก็คนนวดพ่อครูก็ตกใจว่าพ่อครูเราไม่ต้องตกใจเราได้ทํากุศลนะก็มันมันกำลังปลดกรรมนะเอาว่าตอนนี้เราก็พักเขาเขาอักเสบก็พักเขาไม่ต้องกินยาอย่าไปเพิ่มเติมความอักเสบของเขาเท่านั้นเองนะเวลาลุกขึ้นพ่อครูก็รู้ว่าเออจะเดินท่าไหนที่มันมันไม่ต้องไปขัดแยง้งอันนี้สะท้อนให้เห็นอะไรในสังคมมนุษย์เราทุกวันนี้เนี่ย ไปคนละทางเราไม่สามัคคีกันเริ่มจากร่างกายเราก่อนเห็นไหมดินน้ําลมไฟถ้ามันไม่สามัคคีกันบางวันเนี่ยธาตุไฟมันเยอะมันก็ตัวร้อนธาตุน้ําเยอะเป็นบาดเห็นไหมขนาดตัวเราเองถ้ามันไม่สมดุลมันก็ทะเลาะ ก, กันเองมันก็เกิดความไม่ปกติขึ้นขนาดตัวเองเรายังเอาตัวเองไม่อยู่เลยเนี่ยถ้าเราไม่ระวังเนี่ยในแง่สังคมสองคนขึ้นไปครอบครัวเนี่ยมีเรื่องกันโดยไม่รู้ตัวเพราะว่า ทุกคนมีทิฏฐิมานะของตัวเองนะกคนลืมเรื่องสามคัคคีนะที่ในหลวงแสดงเรื่องนี้รู้รักสามัคคีเนี่ยแต่บังเอิญว่าความหยาบของคนทุกวันนี้มันแรงขึ้นพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณีของศีลธรรมทุกคนมีแต่ที่มันมีอยู่มันสู้กำลังกิเลสไม่ได้ที่มันพัฒนาแรงขึ้นความโลภความโกรธของหลงมันแรงขึ้นมันกบเกินศีนลธรรมซึ่งเป็นความปกติของเรา ก็เลยเกิดการขัดแย้งกันขึ้นโดยเฉพาะไอ้ความคิดคิดต่างกันอย่าว่าแต่สตูกันคิดคนละอย่างนะคนรักกันอยู่บ้านเดียวกันยังคิดไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามีจริตมีอนุสัยที่ไม่เหมือนกันถ้าเราไม่มีสติมีปัญญาแล้วเนี่ยทะเลาะ ก, กันหมดนะเพราะว่าเราไม่ทันอารมณ์เรากําลังของสติสทาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ย อินทรีย์เรามีอยู่แล้วทุกคนแต่พละกำลังมันไม่พออินทรีย์พละกำลังมันไม่พอมันสู้อารมณ์ไม่ได้ทุกวันนี้เราพัฒนาเราพัฒนาเราพัฒนาพอพูดถึงพัฒนาเมื่อกี้มันก็แวบหนึ่งพ่อครูจาได้25ปีก่อนกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆมาอุบลมีรถคันหนึ่งรถกระบะวันนี้พูดเรื่องรถหน่อยหนึ่งนะเขาแสดงธรรมเขาเขียนอยู่ กระจกหลังรถเขาว่าครูมิใช่เรือจ้างอีกต่อไปครูคือผู้พัฒนาชาติไทยย5่สาปีผ่านไปพัฒนาเป็นยังไงชาติไทยตอนนี้ทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนคำพูดนี้บอกว่าฉันจะไม่เป็นคนดีอีกต่อไปเป็นเรือจ้างมันเสียเปียกฉันจะเป็นคนเก่งพัฒนาแต่เรื่องวัตถุ แต่เรื่องจิตวิญญาณนี่ตกต่ำกันหมดเห็นไหมคำว่าพัฒนามีใครพัฒนาบ้างอย่างให้ตัวเองเป็นคนแพ้พัฒนาให้มันช้าลงมีไหมไม่มี G2 G3 G4 G5 G3 ยังทะเลาะ ก, กันไม่เสร็จมันจะพูดถึง G4 แล้วพัฒนาเพื่อให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้ชนะเขาคำว่าพัฒนาตอนนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นมันก็ คุณภูมิกพการขัดแย้งก็แรงขึ้นนะเนี่ยี่บห้าปีผ่านไปคำนั้นอยู่ในความทรงจำพ่อครูคุณทำอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่ยินดีกับความเป็นคนดีผู้เสียสละเป็นเรือจ้างครูในอดีตเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ให้เป็นผู้ประสาทวิชาแต่ตอนนี้เนี่ยเขาค่าครูทิ้งหมดแล้ววันนี้มีคุณครูมาด้วยนะ ความเป็นครูไม่มีละมีแต่อาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สเป็นผู้ขายวิชาถ้าไปเรียนพิเศษฉันก็ให้พิเศษนะเรียนในห้องฉันก็ให้แค่ห้องแค่เงินเดือนฉันถ้าเรียนพิเศษให้พิเศษตอนนี้กลายเป็นอาจารย์ครูไม่มีละเพราะว่าครูไม่ต้องการเป็นเหลือจ้างอีกต่อไปครูหลงตัวเองว่าเป็นคนเก่ง ครูเป็นผู้พัฒนาชาติไทยพัฒนาไป25ปีตอนนี้บ้านเมืองทะเลาะเบาแวงกันทั้งหมดนะครูพรลานข่อยต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะก็เร็วๆนี้อีกไม่กี่เดือนที่ผ่านไปพราครูเข้าไปในเมืองทุกครั้งพรครูได้ธรรมะในเมืองมานะก็รถกระบะเหมือนเก่านะเขาเขียนอยู่หลังรถว่า ความสําเร็จของลูกคือความสุขของพ่อแม่วันนี้เป็นวันพ่อแม่ฟังแล้วมันน่าชื่นใจแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความหลงผิดของมนุษย์เป้าหมายชีวิตคือความสําเร็จนะให้ลูกทุกทรมานสู้ตายลูกสู้ตายเพื่อความสําเร็จเมื่อเขาดูถูกเราเหมื่อเราจนเราจะลําบากความสําเร็จหมายถึงว่ารวย ถ้าลูกสําเร็จพ่อแม่จึงจะมีความสุขลูกก็เลยไม่มีวันสําเร็จเพราะว่าสําเร็จไปว่าเสร็จแล้วไม่มีแม่แต่นหนึ่งคนสําเร็จคุณบิลเกต ก, ก็ยังไม่สําเร็จยังไม่เสร็จพ่อแม่ก็เลยไม่มีความสุขแต่ถ้าเราเข้าใจชีวิตมันต้องกลับกันนะความสุขของลูกคือความสําเร็จของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่คนไหนทําให้ลูกมีความสุขได้แสดงว่าชีวิตเราสําเร็จแล้ว แต่ตอนนี้มันกลับกันเป็นห่วงอนาคตลูกแต่ไม่มีห่วงชีวิตลูกแล้วก็รุ่นต่อรุ่นก็สอนกันเป็นอย่างนี้กิเลสทั้งนั้นแล้วมันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงไปเพิ่มทุกข์กันเพื่อความสำเร็จเพื่อสร้างวัตถุภายนอกจนลืมชีวิตตัวเองจริงๆแล้วมันต้องกลับกันความสุขของลูกมันพิสูจน์แล้วว่าพ่อแม่ทาสาเร็จแล้วเลี้ยงลูกจนลูกมีความสุขอันนี้ในแง่ชีวิต แต่ตอนนี้ชีวิตเราไปเอาความสําเร็จทางด้านวัตถุเป็นที่ตั้งจนเอาชีวิตเรานี่ไปทุกเพื่อสร้างอนาคตมันก็มีเรื่องมีราวนะเรื่องรถมีสองเรื่องแล้วนะจบเรื่องสุดท้ายรถก็เหมือนกันแล้วเร็วนี้ครูคมเกิดอุบัติเหตุไปชนมอเตอร์ไซค์เป็นนายทหารก็เสียชีวิตนะครูคมเร็วไหมครูคมชั่วไหม ครูคมไม่ใช่คนเลวไม่ใช่คนชั่วครูคมอยากให้เหตุ น, นั้นเกิดขึ้นั้มไม่แล้วมันก็เกิดแล้วเห็นไหมยังคุณยุนนวดเพราะครูอยากให้ครูเจ็บไหมไม่อยากให้ครูหายเจ็บเห็นไแล้วเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราไม่ได้ทำความชั่วรายนะเราจะไปสูบความชั่วลายในปัจจุบันนะมันมีเหตุของมันอยู่เหตุเกิดผลจึงเกิด เหตุดับผลจึงดับเราสร้างเหตุไว้ในอดีตไม่ใช่เกิดแล้วค่อยมาจะไปทำบุญอะไรอันนี้มันสายเกินไปแล้วเพราะมันเกิดแล้วมีโอกาสต้องทำความดีถึงมันจะมีเหตุทําความชั่วในอดีตแล้วเนี่ยเขาจะผ่อนหนักเป็นเบานะตอนนี้พ่อครูก็เกิดแต่ความเจ็บนี้ทำให้พ่อครูทุกไม่ได้เพราะพ่อครูไม่ประมาทจิตพ่อครูมันวางแล้วสังขารนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆ เห็นไหมมันก็เกิดกรรมที่เราสร้างจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วมันก็เกิดแต่มันไม่มีผลสําหรับเราผู้เจ้าถึงใช้คําว่าอย่าประมาทนะคูคมเจอเหตุทุกคนก็ช็อกกูปุกกี้ช็อกเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราประมาทเราไม่ฝึกจิตเราไม่ฝึกจิต เราฝึกจิตก็มันเกิดเหตุอะไรขึ้นเหตุนั้นเราหนีไม่พ้นท่านเป็นกรรมเก่าไม่รู้กี่ชาติ่ที่เราสร้างมามันเกิดปุ๊บถ้าจิตเราไม่มีกําลังแล้วเนี่ยเราจะถูกมันกระชากเข้าไปทุกข์กับมันอันนี้น่าจะเป็นบทเรียนนะแล้วบทเรียนนี้พ่อครูขอเตือนครูโดยเฉพาะครูผู้ชายหลายปีแล้วเนี่ยพ่อครูขับรถสวนกับพวกเราเนี่ยขับรถเร็วมากนะ ลดความเร็วลงไปหน่อยหนึ่งลดความเร็วลงไปหน่อยหนึ่งลดความเร็วลงไปมากๆนะอย่าไปเพิ่มมันนะอุณหภูมิของความเร็วนั้นนะความเร็วเพิ่มเร็วด้วยมันก็เกิดผลเร็วขึ้นเหมือนกันอันนี้เป็นบทเรียนนะเที่ยวนี้ให้เป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียน ชีวิตใครเสียก็ช่างโดยที่ไม่ถึงเวลาควรจะเสียนั้นมันประมาณค่าเป็นเงินอะไรไม่ได้หรอกนะเขาเสียสูญเสียสิ่งที่เขาลักเขาก็เสียใจ เ, เราตกใจเราก็เสียใจเห็นไหมแค่เราตกใจเราเป็นคนชนเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูคมไม่ได้ผิดมอเตอร์ไซค์สวนหน้าแต่ยังไงก็ช่างใครถูกใครผิดก็ช่างมันคือผลของกรรมไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับกรรมกรรมเก่าบวกกรรมใหม่คือผล บุญเก่าบวกบุญใหม่คือผลซึ่งพรอคุยยกตัวอย่างบ่อยๆบ่อยๆเพราะมันเหนเ็นเป็นเป็นรูปประธรรมว่าสตีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายชะการห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้อีกท่านหนึ่งขับไปที่เก่าเวลาเดิมคนละวันเท่านั้นเองยางระเบิดชายชการห้าคนขับมาฆ่าข่มขืนอุบัติเหตุทั้งสองอย่างนี้ถามว่าทาไมคนนี้รอดทาไมคนนี้ตาย แล้วเข้าใจว่าเอ้ยมันบังเอิญบังเอิญคนนี้ช่วยบังเอิญคนนี้มาฆ่าไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญอุบัติวัเหตุนี่ยแปลว่าอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดไม่ละเว้นแม้กระทั่งเจ้าชายสิท ธ, ธาพระองค์ตัดสรุททำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในวันวิสาขาบูชาหลังจากนั้นเป็น พระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ยังโดนเทวทัตเล่นงานอยู่ไม่ละเว้นแต่กระทบไม่กระเทือนจิตพระ อ, องค์ไม่ไปทุกข์กับตัวนั้นแต่พระ อ, องค์หยุดกรรมที่มันฝังอยู่ในจิตคนอื่นไม่ได้แต่เราล้างกรรมเราได้เราปลดปล่อยของเราได้แต่กรรมที่นอกจากว่าวันใดวันหนึ่งเราละสังขารจริงๆไปแล้วนั่นไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดในสามโลกธาตุนี้เนี่ยกระแสกรรมมันก็ไล่บีบเราไม่ได้ อันนี้อย่าประมาทนะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนวิกฤตกลายเป็นโอกาสทุกอย่างผิดเป็นครูโดยเฉพาะพวกเราเป็นครูต้องรู้จักพัฒนาตัวเองพัฒนาไม่ใช่พัฒนาวัตถุแข่งกันแล้วก็ไปทุกข์กับมันเนี่ยอันนี้เรียกว่าทุกข์ลาบในขณะที่มีลาบอยู่ถ้าไม่ระวังปุ๊บลาบมันก็ทำให้เราทุกข์นะเออเวลาไม่มีรถก็ไม่มีเรื่องเห็นไหมพอมีรถปุ๊บหรือ ม, มันมีลาบแล้วมันก็ มีได้ประโยชน์แต่ถ้าไม่ระวังปุ๊บมันก็เป็นโทษได้เหมือนกันอันนี้ให้เป็นบทเรียนอย่าประมาทชีวิตเรายังมีความหมายนะให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างมีสตินะใช้ปัญญาทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยปัญญามันไม่เกิดแล้วก็ติดบ่วงความรู้โดยเฉพาะความรู้ผิดในยุคนี้เนี่ยมันใส่เรื่องความรู้ซึ่งแฝงด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแล้วก็ทุกสิไปคิดตามความรู้ต้องชนะ ต้องเก่งต้องสร้างอนาคตนะจนพ่อครูถ้าไม่มาทางธรรมเนี่ยนะมันคงตายไปแล้วนานแล้วล่ะจะเป็นอุปัติเหตุหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะพ่อครูแรงมากกินเหล้าทุกยี่ห้อสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่ซองอะไรเกมอะไรเสี่ยงๆเนี่ยเอาหมดบังเอินบุญเก่ามันกระชากเราหยุดออกมานะถึงจะได้มีโอกาสมานั่งอยู่ที่นี่อย่างสงบคำว่าสงบเย็นไม่ใช่กรรมมันไม่มีนะ อยู่ในศูนย์นี่มีเรื่องทุกวันแต่สาหรับพวครูมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ปัญหานะถ้าไม่มีเรื่องนั่นเรื่องนี้เกิดขึ้นเราก็ไม่มีงานทำคุณครูมาทำงานเด็กมาทำงานเพื่อแก้ปัญหาปัญหาของเราคือเด็กมันเป็นผู้ไม่รู้เราต้องมีหน้าที่มาถ่ายมาแก้ปัญหาของเด็กคือแก้ปัญหาที่มันไม่รู้ทาให้เป็นผู้รู้ ก่อนที่เด็กจะเป็นผู้รู้คุณครูต้องเป็นผู้รู้ก่อนนะคุณครูพลราน่อยโดยองค์รวมนะเพราะคูไม่ใช่ชมเชยต่อหน้าหรอกทุกคนตั้งมั่นขยันขันแข็งแต่ว่ายังไม่พอนะอย่าพอใจเพียงแค่นั้นท่านในแง่กันตามความดีบางคนโอ้ทำดีมากแล้วพอละเขาจะเลิกทาความดีเลิกทำไม่ได้นะแต่ความชั่วต้องรีบเลิก ผู้เจ้าสอนทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสความดีไม่มีวันเลิกแม้กระทั่งบรรลุธทรมแล้วเจ้าชายศิทธัตัสะสลุวธรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ยังสร้างศาสนาขึ้นมาเผยแผ่ทำความดีอยู่อีก 45, สี่สิบห้าพันศามันไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญบาปแล้วมันเหนือบุญเหนือบาปแล้วพงษ์ยังทำมันเป็นธรรมมันเป็นหน้าที่การทำความณ์เป็นการทำความดีเป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้ประเสริฐที่ต้องทำ การละชั่วก็เป็นหน้าที่ที่มนุษย์ผู้ประเสริฐต้องละเพื่อมุ่งสู่ความเป็นอริยบุคคลทำดีละชั่วพอไหมไม่พอต้องขัดเก่าจิตให้ผ่องใสด้วยนี่เกา่าอย่าแก้งลืมศูนย์เราเนี่ยทำสามเรื่องทำดีละชั่วขัดเกาจิตเพียงแต่ว่าเราแบ่งหน้าที่คนที่ดูแลโรงเรียนคนที่เป็นครูก็ทำดีโดยดูแลเด็กๆนะ ที่นี่พระแขกทาดีโดยทำอาหารเลี้ยงผู้คนนะปุ๊กแก้วหรือว่าหลายๆคนแอททำดีโดยบริการญาติธรรมให้โอกาสเขามีเครื่องมือในการเจริญมรรคทำดีก็ไม่ต้องเหมือนกันไม่มีสูตรสำเร็จสิ่งที่มันเหมือนกันทำดีคืออะไรคือให้ได้อาภัยได้ รู้จักรับผิดชอบตัวเองกับสังคมนะทุก ว, วันนี้เราสอนลูกสอนหลานลูกเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะพ่อครูก็ตามไปดูอย่างมากก็อย่าทำชั่วให้พ่อแม่เดือดร้อนเท่านั้นเองไม่ค่อยมีเวลาพาลูกพาหลานไปทําความดีเลยนะแล้วมันจะดีได้อย่างไรการทําความดีต้องมีการเท k e action อย่างศีลห้านี่ไม่มีข้อไหนบอกให้เราทาดีเลยนะเป็นแค่ละชั่ว ฉันไม่ฆ่าสัตว์ฉันไม่พูดปดฉันไม่ผิดศีลในการฉันไม่ทําอะไรฉันนั่งเฉยๆอย่างมากเป็นแค่คนไม่ทําชั่วเท่านั้นเองยังไม่ได้ทําดีอะไรนะฉันว่าคนทุกคนถือศีลห้าหมดในประเทศอันนี้ก็ไม่ทํานี้ก็ไม่ทําอันนี้ก็ไม่ทําก็ไม่มีโอกาสได้ทําดีแค่ละชั่วเฉยๆถ้าศีลแค่นี้นะภาสานก็มีอยู่แล้ว ทาศานมีสินห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมไม่ต้องถือสินสินคือความปกติของจิตทาศานมันโกหกไหมไม่มันไม่อยากได้ของใครมันโกหกทำไมทาศานกินเหล้าแพงๆไหมเฮ้กินไปทำไมมันไม่รู้สินคือความปกติของจิตถ้าทุกคนมีสินอนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องถือสินนะให้เราเข้าใจสินให้มันถูกต้องแต่ไม่ใช่มันไม่ดี สินห้าเป็นกติกากันอยู่ร่วมสินห้าสินแปดสินสิที่ปฏิโมกเป็นอุบายวิธีเป็นวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่ถ้าสินห้าอย่างเดียวนะทุกคนไม่ได้ก็ไม่ได้เปิดโอกาสไม่ได้โอกาสทำความดีเป็นตัวละเว้นเท่านั้นเองเป็นแค่คนไม่ทำชั่วต้องเข้าใจสินนะสินคือความปกติของจิตเวลาอะไรควรทำทำโดยการให การช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็ต้องทาเป็นการให้ทานนะเป็นการให้ทานศีลในมัสมีองแปดนะมีแค่สามข้อวาจาชอบอาชีพชอบการกระทาชอบเห็นไหมศีลสามข้อนี้เป็นการกระทาการกระทาโดยการพูดแต่สิ่งดีๆพูดไม่ให้เขาทะเลาะ ก, กันพูดส่งเสริมเขาพูดให้ความรู้เขามันเป็นการให้ธรรมทานนี่คือ สร้างกรรมโดยวจีถ้าวจีทุจริตก็เป็นกรรมชั่ววจีสุจริตก็เป็นบุญนะอาชีพที่เราทำเลยต้องไม่มีพู้ไดเดือดร้อนต้องทําอาชีพไม่มีไม่ไม่ไม่อาชีพเราจะมีอะไรกินเหรอแล้วก็ต้องทําอาชีพอาชีพครูแม้กระทั่งอาชีพนักบวชอาชีพนักบวชก็ต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองเพราะเราเลือกว่าเราจะเป็นนักบวชอาชีพครูต้องเป็นซื่อสัตย์ต่อ อาชีพครูทุกอาชีพมีความซื่อสัตย์ตั้งมั่นนะไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นต้องมีการกระทําเกิดขึ้นส่วนการกระทําชอบเพราะคูว่าจริงๆแล้วศีลการกระทำมันมีแค่ข้อเดียวนะ่ยรวมหมดมีแค่ข้อเดียวแต่เขาแยกการกระทําชอบการกระทําใดๆก็นั้นต้องเป็นการสร้างสรรค์ไม่มีการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเห็นไหมศีลในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่นิพพานมีแค่สาข้อ ส่วนศีลห้าศีลแปดศีลสิทธิปฏิโมกทำไมต้องแบ่งชั้นวันนะทำไมต้องไม่เท่ากันเห็นไมผู้ครองเรือนเราเนี่ยต้องทำมาหากินนะก็กำหนดศีลห้ามาเตือนสติเป็นตัวละเวน้นส่วนศีลของพระภิกษุนั่นนะท่านเป็นผู้ทรงศีลท่านไม่ต้องทำมาหากินท่านในทางโลกว่าฉันเราเปียบเราหรือเปล่าไม่ผู้เจ้าตั้งพุทธบูชาสีขึ้นมาทำหน้าที่ที่ต่างกัน ท่านต้องทำตัวที่พิเศษกว่าคนอื่นแม้เขาจะมากราบไหว้เราทำไมเขาจะมาทำบุญเราทำไมเขาจะมาเลี้ยงผ้าทำไมเห็นไหมทำให้พระภิกษุเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลเรื่องทำมาหากินท่านจะได้มุ่งมั่นศึกษาธรรมท่านต้องมีศีลบังคับมากกว่าคนอื่นแต่จะไปหลงว่าฉันศีลมากกว่านะไปแบ่งศีลเขาไปขายศีลอย่างนั้นอันนั้นเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ท่านจะต้องมีข้อบังคับตัวเองมากกว่าคนอื่นต้องทำตัว พิเศษกว่าคนทั่วไปต้องอยู่ง่ายกินง่ายนะเพื่อสร้างศรัทธาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องทามาหากินจะได้มุ่งมั่นปฏิบัติบนเพ็ญเพียรศึกษาธรรมพอญาติโยมผู้ครองเรือนเนี่ยเขาทำงานเหนื่อยมากผู้เจ้าบอกว่าให้ hey, ต้องไปทำบุญนะต้องมีทานนะต้องไปเลี้ยงพระเห็นไหมก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งยากแค่ไหนก็ช่างต้องไปเลี้ยงพระให้พระชีท่านอยู่ได้ พอเราไปปุ๊บเราไปทำวัตถุทานไปถวายทานท่านถ้าพระจริงๆท่านกลัวเป็นหนี้เราท่านก็ให้ธรรมทานเราคืนต่างคนต่างได้ให้แต่มีรับฝ่ายเดียวเนี่ยอันนี้เน่เป็นบาปด้วยอันนี้เป็นอุบายวิธีพวกพุทธเจ้าสร้างสุทธบริษัทสี่นี้ขึ้นมาเป็นบุคลากรที่ขับเคลื่อนคำสอนของพระองค์ เราต้องเข้าใจสิ่งนี้ศีลจริงๆแล้วคือความปกติของจิตพ่อครูยี่ห้าปีที่ผ่านไปตอนนี้ต้องพูดถึงยี่บหกแล้วล่ะมันยี่หกปีแล้วเนาะพ่อครูไม่ได้ถือศีลพ่อครูกินข้าวมือเดียวไม่ได้ถือศีลแปดมันกินตามอัตภาพตามเหตุปัจจัยอายุมากแล้วไม่ต้องกินเยอ ะ, อะกินแค่นี้มันก็อ้วนแล้วนะ เอาเป็นว่าไม่ใช่ทุกคนทำอย่างนี้ได้มันอยู่ที่สภาวะของจิตนะก็เมื่อจิตเราเป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องอาศัยศีลเหล่านี้มาบังคับเรามันไม่ทำชั่วแน่นอนที่ไม่ทำชั่วแน่นอนเพราะว่าเขาไม่มีความอยากแล้วเขาไม่มีอนาคตแล้วเนี่ยแม้กระทั่งคิดเขาไม่ต้องคิดเลย พวกเรา ค, ค, คิดคิดคิดวางแผนเพราะเรายังมีความอยากเรามีอนาคดถึงคิดวางแผนเมื่อเขาไม่มีอนาคตแล้วเขาอยู่ปัจจุบันตลอดมีเหตุปัจจัยเออญาติธรรมมาเยอะๆเออขยายศาลาเพราะความเมตตาและแนวเรามันใช้พื้นที่เยอะถ้าไปกดตัวเองไว้เหมือนศูนย์กรุงเทพว่าตอนนี้เป็นปลากระป๋องนะน่าเห็นใจมากแต่ตอนนี้เหตุจริงๆแลเหตุต้องขยายเลยนะแต่ตอนนี้ปัจจัยมันยังไม่มี ก็หยุดก่อนก็ไม่เป็นไรทาตามเหตุแล้วก็ปัจจัยที่มีอยู่นะทําตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่ตอนนี้มีเหตุยังไงศูนย์ญาติธรรมเข้ามาใช้ประโยชน์ศูนย์มากขึ้นความแออัดมันมากขึ้นพวกครูเลยว่าเออเราก็ขยับขยายเมื่อมีปัจจัยมาเกื้อหนุนด้วยนะเรามีกําลังทรัพย์บ้างเราก็ทําตามเหตุและปัจจัยพวกครูเล่าให้พวกเราฟังนะ ธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจรงิงการที่เอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือพวกเขาฮิมาลัยนะทุกวันนี้เนี่ยคนรู้ธรรมมีเยอะมากแต่คนมีธรรมไม่ค่อยมีรู้เยะแล้วมานั่งทะเลาะกันเอาธรรมะซึ่งเป็นภาษาเนี่ยมาจําเอาความจําเนี่ยมาแข่งกันชั้นถูกชั้นผิดนะ คนมีธรรมคือคนอะไรคนที่มีธรรมจริงๆนี่สามารถดำรงชีวิตได้อยู่เหนือปัญหาและความทุกข์แต่คนรู้ธรรมนี่ยังทุกข์เพราะยังทะเลาะกันว่าฉันถูกเธอผิดอันนั้นรู้มากทุกข์มากธรรมะไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่วิชาการตอนนี้คนรู้ธรรมมีเยอะแล้วก็ไปจับถูกจับผิดคนอื่นไปหลงว่าสิ่งที่ตัวเองรู้มันมันถูกคนอื่นผิด ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้คนรู้ธรรมมีเยอะแต่คนมีธรรมไม่ค่อยมีนะพวกเราขึ้นชื่อว่าผู้สแสวงธรรมผู้เดินทางอยู่ถึงจะมีมากมีน้อยเนี่ยก็ยังมีโอกาสกว่าคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสมาลิ้มรสเราปฏิบัติแล้วต้องนำไปประพฤติประพฤติมันติดนิสัยชอบจับผิดแล้วพอมันจะคิดปุ๊บหยุดคิดมันจะพูดกล่าวทั่วครับหยุดพูดก่อน คุณต้องหาข้อมูลที่แท้จริงก่อนก่อนจะพูดมิแต่ชอบแสดงความเห็นกันโดยไม่เอาความเห็นนั้นไปสังเคราะห์ให้เป็นความจริงก่อนค่อยมาพูดพูดพูดพูดก็ทะเลาะกันไงแล้วบังเอิญไปพูดถูกจิตที่เขาจิตทึ่งเป็นบริสุทธิ์เนี่ยนะไอ้ที่เราพูดไปมันตีกับหมดแล้วมันเป็นกรรมหนักนะเอาเป็นว่าพวกเราขึ้นชื่อว่าผู้เดินทางผู้ปฏิบัติธรรมต้องนําไปประพฤติ ไม่ใช่ปฏิบัติแค่รูปแบบไปแกล้งขังกันกดตัวเองให้สงบชั่วครู่พวกรู้ธรรมะรู้วินยัยเอาตัววินัยมากดนะเหมือนหินทับหญ้านั่นแหละนะพอฝนตกลงมาเชื้อมก็ขึ้นมาอีกนะอันนี้เรากำลังขุดลากถอนโคนเรากำลังเหวี่ยงทิ้งทุกวันส่วนมันจะหมดเมื่อไหร่เนี่ยอย่าไปคาดหวังมันเกี่ยวกับบุญเก่าด้วยบวกบุญใหม่คือผลเกี่ยวกับกรรมด้วย กรรมเก่าบวกกรรมใหม่คือผลเช่นเดียวกันนะเราทําได้แค่ว่ายอมรับกรรมเก่าลดกระแสมันหน่อยหนึ่งอย่าสร้างกรรมใหม่และสร้างบุญกุศลเพื่อเป็นกําลังให้เราเดินทางต่อไปทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะเหมือนศูนย์เนี่ยเป็นวิถีมากี่ปีกี่ปีก็เหมือนเก่าแต่บางเอิญนานๆจะมีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็สะดุดถึงจะสะดุดกระชั้น เราก็ไม่มีวันหยุดเราก็ปฏิบัติบูชาทุกวั น, นเปลี่ยนสาระจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกคนย้ายกลับมา น, น, นี่ตอนนั้นคืนคืนพื้นที่ให้ครูบาอาจารย์พระภิกษุท่านเพราะเบียดเบียนท่านมาเป็นหนึ่งเดือนแล้วแล้วก็สาลาที่เราต่อเติมนั้นก็กะเข้าๆใช้เวลาหนึ่งเดือนฉลองปีใหม่แล้วก็ก็คงคงเสร็จนะเพราะว่าถ้าถ้าฝน นอก ด, ดูอย่ามานะเมื่อวานก็มาเขาก็ขาดงานไปครึ่งวันนะเอาเป็นว่าเรากะเข้าๆอย่าไปคาดหวังตายตัวแล้วเราจะทุกข์เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะก็วันนี้เป็นวันดีอย่างหนึ่งวันหนึ่งพราก็ถือโอกาสนี้ได้คุยอะไรกับพวกเราหน่อยเป็นการเตือนสตินะส่วนเตือนแล้วมันเกิดประโยชน์ก็ไปใช้ถ้ามันยังไม่เข้าใจก็เวี่ยงมันทิ้งอย่าไปแบกมันจะทุกข์โอเคนะ